พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23สิ่งหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์เรื่องใจวันนี้เป็นวันพุทธ ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2560วันนี้ก็ผ อ, อโรงพยาบาลนายุงสมทบสร้างเจดีวันเกิดลูกสาวนนวันนี้นะสี่ปีวันลูกสาวแพทย์หญิงกัญญารัตน์พร้อมครอบครัวลูกสาววันเกิดลูกสาว ทำบุญสี่กองสี่สามสิบสองหมื่นสองให้แต่บุญในหลายนะลูกหลานนะลูกสาวให้เรียนหนังสือเก่งนะเป็นเด็กดีนะเ <laughs> มื่อวานเป็นวนันอุโบสถของพระวันก่อนเป็นวันพระเมื่อวานลงอุโบสถแต่วันนี้ก็เป็นวนันรู้สึกว่า เดนฟ้าอากาศเจ็บนะวันนี้นะรู้สึกว่าแดดออกแต่เช้าแต่เมื่อวานวันก่อนก็ดูลักษณะฟ้าฝนบอกกล่าวสั่งลานะในควอนรู้สึกของหลวงพ่อนะเอ๊ะมันทำไมมันฟ้าฝนผิดปกติเพียงเพียงปลายเดือนสิงหาเองฝนมาทิศทางทิตตะวันออกแล้วก็ฟ้าร้อง ผิดปกติฉนานวันไหวแล้วก็พุ่งนี้เช้าตอนมากับมีหมอกควันเต็มไปหมดอันนี้เป็นท่าแบบสมัยก่อนถ่าเราคนโบราณเขาบ่าบ่งบอกถึงฝนจะสั่งลาจะเข้ากลึงละกลึงแล้วดูฝนอ่ะพรนั้นให้พวกเราดูนะถังน้ำน้ำฝน ตังตรงไหนถ้ามีปัญหารางน้ํามีปัญหากัชัวร์กันดูอย่าให้มีปัญหาเหลื้ยงน้ําเป็นปัจจัยสําคัญถ้าไม่มีน้ําขวดเหมือ น, นน้าฝนของเราเนี่แหละเลี้ยงแขกเตียงขุนน้ําฝนที่สะอาดเพราะว่าวัดของเราห่างไกลจากโรงงานห่างไกลจากที่จะทำทำให้มนภาวะเป็นพิษ พวกเราอยู่ในป่าดงเราใช้น้ําฝนได้นะแต่หลวงพ่อนี่ถ้าน้ําน้ําฝนหลวงพ่อถนัดกว่าน้ําขวดในต่างหากคนะหลวงพ่อเชื่อมันในน้ําฝนของหลวงพ่อะพรพอว่ารางน้ํำเราก็ทําความสะอาดถังน้ําเราก็ทําความสะอาดปีหนึ่งเราก็ทําความส ะ, สะอาดครั้งนึ่งจากนั้นพผล หมดฝนเต็มถังลรวปิดก่อนที่จะเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ล้างถังล้างหลังคาล้างลางา ล, า ง, ลางน้ำจะพิธีพิถันพอสมควรในกช่วยๆกันดูล่ะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญน้ำไฟพวกเราอยู่แต่น้ำสำคัญกว่านะอันนี้ก็คืออุ ป, อปกรณ์ อุปกรณ์ในการอยู่ในปัจจัยสี่ที่การอยู่ด้วยกันฮะพวกเราคิดดูซิว่าถ้าขาดน้ำมันเป็นยังไงหลวงพ่อเคยขาดน้ำที่อยู่มูดอยู่ภูเจ้า ก, ก็อมากับองหลงปูล่านะโอ้มันทนทุกข์ทรมานจริงๆนะศรัทธาญาติโยมนะลูกหลานนะจึงเข็ดตะขาวนุ่นละ่ะเรื่องน้ำเนะี่ยต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้าําสะน้ําถังน้ําคลองน้ําบาดาลหลวงพ่อจะใส่ใจเรื่องน้ำไปเลยเพราะเข็ดขยดัดเกี่ยวกับไม่มีน้ําใช้อยู่ที่ผูจอ ก, ก่ อ, อก่อนที่จะเอาขึ้นไปปิ๊บหนึ่งเหเงื่อแตกเหงื่อไหลแล้วก็ไปเทใส่อุอ้มใส่โอค์ใส่โอค์ ใ, อใหญ่ก็ไม่ได้เพราะมันเทใส่กับเพียงอยู่ก้น องค์ท่านเองมันต้องหาตุ่มพ่อเหมาะไม่ใหญ่มากเทไปแล้วก็ให้ได้ใช้นี่แหละก่อนที่จะขึ้นเอาน้ำขึ้นไปมันเป็นเรื่องแสนยากแต่ทุกวันใ้เขาวิวัฒนาการพกพระลูกรุ่นใหม่เขาเอาน้ำจากตีนเขาใส่เครื่องปั่นไฟดันขึ้นไปเลยสูงขนาดไหนมันก็ขึ้นได้นี่แหละ แต่สมัยนัน้นนไม่มีทนถึงขนาดนั้นเราอยู่แบบใช้แรงใช้แรงตรงเองเลยพอเราต้องการอยู่จากนั้นก็ขอกำลังลูกหลานจากชาว บ, บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพวกเนี่ยพี่สาวของหลวงพ่อน่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวหาบน้ำขึ้นไปสง่ง บางทีก็เป็นห้าหกคนสิบคนนานๆเขาจะหาบขึ้นไปส่งครั้งหนึ่งไปส่งใส่ตุ่มใส่องเสร็จแล้วก็กลับลงมาคนละคนละหาบกระป๋องไปก่อนที่ก่อนที่เขาจะขึ้นไปก็เงือแตกเงื อ, อไหลเหมือนกันนะหาบน้ำขึ้นเขาเนี่แหละลวงพ่อจึงเป็นเห็นแล้วว่าการอยู่บนภูเขาการขาดน้ำเป็นอย่างไรสรุปแล้วนะ เพราะนั้นหลวงพ่อมาอยู่นัดสถานที่นลงพอจึงพิธีพิถันดูช่วยกันดูนลูกหลานน้อถังน้ำน้าทำความสะอาดน้แต่ที่กุติหลวงพ่อไม่ต้องพูดหลวงพ่อมองดูอยู่ใช้ดูแลกำชับให้มีน้ำสรุปแล้วคือน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับที่อยู่พวกเราอยู่ด้วยกัน ถ้ามีคนส่วนมากเข้ามาก็ยิ่งมีความจำเป็นสำคัญเรื่องน้ำเรื่องไฟนะี่ยังเป็นรองนะลูกหลานนะไฟนะยังเป็นรองแต่ก็ไฟจำเป็นไมมก็จจำเป็นที่พวกเราอยู่ด้วยกันกนนะไฟสำหรับเก็บอาหงอาหารมนะัะก็มี <c oughs> น้ำลม ไฟดินถาดสีดินดดนี่ยสำคัญไหมถ้าเราไม่อยู่ไม่นั่งอยู่บนดินจะนั่งไปนั่งที่ไหนดินก็สำคัญน้ำก็สำคัญลมถ้าลมไม่ถ้าลมไม่หายไม่มีอากาศหายใจจะเป็นยังไงโอ้ลมก็สำคัญแล้วไฟถ า, าดไฟของเราก็เหมือนกันถ้ามันหนาวไม่มีไฟไฟนี่ก็สำคัญนะ สรุปแล้วมัคือดินน้ํำลมไฟมันแยกกันไม่ออกมันสําคัญด้วยกันทั้งหมดในร่างกายของเราท่านว่ามีาธาตุสี่นาธาตุสีาธาตุดินคืออะไรคือกระดูกที่เป็นของแข็งในร่างกายเนี่ยว่ า, าธาตุดินาธาตุน้ําคืออะไราธาตุน้ําก็เนีปัสสวะเลือดในในร่างกายของเราเป็นของเหลวนะาธาตุลมกือลมหายใจเข้า หายใจออกลมในท้องในลมในช่องท้องในลำไส้เป็นขัดการขับดันก็คือใช้ลมาธาตุไฟคือทำให้ร่างกายอบอุน่นถาว่าร่างกายของเราไม่ไม่มีธาตุไฟเผาอาหารได้ยังไงอาหารมันก็เสียาหายเน่าบูดไปหมดต้องอาศัยธาตุไฟเผาเข้าไปสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ย ถ้าจะว่าเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ไหมกระชายเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เรียนแบบออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยแหละมีดินน้ําลมไฟแต่พวกเร า, เามีธาตุสี่ดินน้าลมไฟแล้วใจแต่พวกเราเได้เห็นแต่ดินน้าลมไฟพราะเป็นรูปประธรรมแต่ส่วนนามธรรมเท่ทนี่ที่มาอาศัย มาอาศัยดินน้ำลมไฟนี่นะมีแต่หลักของพระพุทธศาสนาเท่านั้นะที่บอกได้ชัดเจนจังดววานามทัทธรรมจุดนี้นะแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาว่าเพียงแต่สมองสมองนะสมองมก็อยู่บนสีสษะสมองก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งติดอยู่ที่หัวของเรานะ เ, เหมือนกับรถของเรานะ่ยรถซื้อซื้อหมอยก็จะมี มีคอมพิวเตอร์ตัวนึงติดนะแล้วก่อนเนี่ยมีรถมีรถก็ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดอยู่ในรถแต่หลักของพุทธศาสนาท่านต้องบอกก่อนก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ต้องมีคนนะคนจุดนี้คนคำว่าคนจุดนี้นะนามธรรมหรือวิญญาณเนหรือวิญญาณหรือหัวใจตัวผู้รู้เนี่ย ตัวนี้นะ่ะวิทยาศาสตร์เจ้าจัางค้นมาเจอตัวนี้เจ้าเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาพิสูจน์มันก็ไม่ออกอไม่รู้มีแต่พิสูจน์จะได้สมองเอาเครื่องวัดคลื่นสมองมาสมองมันคิดยังไงสมองมันเป็นยังไงคนประสาทมันเป็นสมองอยังไงคนคิดคนคิดปรุงฟุ้งซ่านมันเป็นยังไง อคนที่ไม่คิดเน่ง่เป็นยังไงฮฮตัวคิดนี่ก็สําคัญมันก็แปลกเหมือนกันนะตัวที่คิดนี่นะะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยหรอก ว, ว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่่ไปโรงพยาบาลขออนุโมอหลวงปู่เข้าสมาธิดูเจ๊จะเลยตรวจดูหลุงปู่นั่งเข้าสมาธิปับจิตเน่ง พอจิตเองไอ้กาบสมองไอ้ที่มันเป็นเป็นขึ้นๆไปนะตรงเลยกระวานนะออันนี้หลวงพ่อไม่เคยเห็นแต่หมอเขาบอกะหมอเจริญบอกว่าตรงเลยแปลว่าจิตไม่คิดจิตไม่ไปใช้สมองจิตไม่ไปไม่ไปทํางานจิตไม่ทํางานจิตมันสงบมันเน่งสมองมันก็นเน่งอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง มีตรลักของพระพุทธศาสนาเท่านั้นพิสูจน์ได้จุดนี้จุดที่ว่าตัวผู้รู้ตัววิญญาณตัวไปใช้สมองนั่นอันนั้นคือใจั น, นระวจิตที่ไปสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็ใช้สมองกดพอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก็สองสมองทำงานถึงกดกดดูว่ารรถคันนี้มันเป็นยังไง เออน้ำมันมันเป็นยังไงจะฟื้นได้นานเท่าไร่มีปัญหาไหมตาซ้ายตาขวาเป็นยังไงถ้าว่าคอมพิวเตอร์เขาเก่งนะเขาจะรู้จักหดอันนี้ก็เหมือนกันพอเราตื่นฟื้นขึ้นมาเราก็รู้ได้ว่าร่างกายเขาเราอยู่ในสภาพไรปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาปวดอะไรตัอวอะไแล้วก็รู้นะ เว้นเสียแต่เครื่องคอมพิวเตอร์มันเสียแต่เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหนึ่งคือสมองมันเสียมันก็เบลอไปเลยถึงจะใจของเราจะจ ะ, จะใช้ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระหรหันต์ท่านก็ใช้ร่างกายของท่านแต่พอสมอง อ, อมันพิการมันก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกัน เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์พิการลักษณะอย่างนั้นถึงจะคนใช้จะเก่งขนาดไหนก็เก่งนะโกดและคอมพิวเตอร์มันไม่ทํางานนะเอผลในสุดมันแท้งเข้ามาอมันแท้งคือมันเออเลอร์ขึ้นมานะคนจะเก่งขนาดไหนก็เก่งนะมันทําไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเครื่องคอมมันเออเลอร์มันแทง้งมันแห้งแล้วจะทำยังไงต้องพักไฟก่อน นีก็เหมือนกันนะใจของเราลักษณะอย่างนั้นที่มาใช้สมองมาใช้ร่างกายแต่ผที่สุดใจของเราเนี่ยมาอยู่กับร่างกายตั้งแต่เกิดมาตั้งอยู่ในอยู่ในท้องนะอยู่ในท้องแม่จังเป็นกาลละจนถึงมาเป็นตัวเล็กปัญจสาขาจนถึงกระดุกกระเดกได้กระดุกกระเดกแปลว่าวิญญาณเข้าไปอยู่ในอยู่ในท้องแม่แล่ะ จากนั้นก็ออกมาไงพอออกมาทีนี้ก่อนเนี่ยเราเป็นคนขึ้นมาได้เยเพราะนั้นใจของเราเนี่ยมายึดร่างกายของเราเนี่ยมันยึดติดจริงๆทีนี้ว่ามันเป็นของมันจริงๆว่าเป็นของเราจริงๆทนจนใครใครดูถูกอะไรไม่ได้เลยแล้วว่าเป็นของเราน่มันแยกไม่ออกคล้ายๆเขาว่า มันเป็นลืมตนอย่างมากนะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปศึกษาเรื่องอัตธรรมนะที่ท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่านะนี่ก็ไปเรื่องค้นคว้าเรื่องเนะี่ยเรื่องตัววิญญาณนะตัวผู้รู้คือใจเนะนะี่ยที่เข้าไปไปเกาะติดหรือไปปฏิสนธิในท้องนะที่ออกมาในร่างกายของเรานะท่านไปบําเพ็ญ ท่านนั่งสมาธิมีแต่สมาธิเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายนี่เป็นอย่างไรท่านก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตใจรวมสงบพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งท่านก็รู้ได้ว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งอาศัยกันอยู่ในตัวของเรามีอยู่สองมีกายกับใจแต่ใจดวงนีนะ้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ แต่มันมีอำนาจมากมีพลังมากใจดวงนี่สั่งให้ร่างกายทำอะไรมันทำได้สั่งให้สั่งให้กายทำอะไรทำผิดทำถูกทำอะไรก็ได้ในพิสัยที่จะร่างกายจะทำได้นะเว้นเสียจะร่างกายทำไม่ได้ถ้าร่างกายทำไม่ได้แต่ใสใจสั่งให้ทำให้กระโดดผาบ้างให้ผูกคอตายบ้าง ใจใจสั่งให้ทําใจไม่พอใจอผลในสุดร่างกายมันก็ทำํำ ม, มันสุดวิสัยของมันใช่ไหม ม, ตตมันก็ตแตกตายมันก็ตองแตกสลายของมันเพราะอะไรเพราะใจเป็นคนสั่งนี่แหละสรุปแล้วก็คือวิทยาศาสตร์แขนงไหนก็ตามยังมองไม่เห็นตัวที่สั่งสั่งให้ให้ร่างกายทําอะไร น, ะนี่แหะแต่ละของพุทธศาสนา ท่านรู้เพื่อนั่งสมาธิและจิตใจเป็นจักรกายเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งท่านรู้ได้ชัดเจนเลยตัวนี้ท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจตัวนามมาทำตัวผู้ ร, รู้ตัวนั้นนะสําคัญยิ่งนะตัวนั้นนะเป็นพลังนะท่านจะบอกมั่นโนปุกผังขามาธรรมานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจจะพิสูจน์ได้จะทํำยังไงได้ จะรู้ได้ในจุดนั้นไม่มีทางอื่นจะคิดปุงฟุ้งทั้งวันทั้งคืนก็ตามจะเดินทั้งวันทั้งคืนก็ตามจะกระโดดโกดเต้นยังไงก็ตามจะคิดค้นหายัางไงก็ตามไม่ได้นอกจากทำสมาธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเลยนอกจากทำสมาธิทําจิตใจให้นิ่งเท่านั้น ในเมื่อกำหนดจิตใจให้หน่งจะอริยบทใดก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามอริยบทสียืนเดินนั่งนอนแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในอริยบทจะยืนก็ให้รู้ว่าตัวเองยืนมีสติสัมปชัญญะจะนั่งก็ให้มีสติสัมปชัญญะจะนอนก็ให้อยู่นอนรู้ว่าเราอยู่ในอกักิริยานอนมีสติสัมปชัญญะ ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่อยู่ในอริยบทนั้ น, น, น เ, เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเราก็กําหนดลมหายใจเพราะร่างกายมันเน่งทุกส่วนนะเวลาเรานั่งนะแล้มีแต่ลมหายใจเข้าออกที่มันฟอดแฟดฟอดแฟดมันเข้าออกอยู่ท่านก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าออก เ, อเวลาเดิน เ, เดินมา ส่วนอื่นขามันเดินเขาสติอยู่กับขาเดินขาขวาพูดธขาซ้ายโท เ, เวลาเรานอนเรานอนก็ดูร่างกายของเราในนอนท่าอริยบทไหนตะแคงขวาตะแคงควายซ้ายหรือว่านอนแบบไหนจากนั้นก็มีสติในการนอนของตัวเองจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ในขณะที่นอนประมันนิ่งนะยืนก็เหมือนกันอาการของอาการยืนของเราเรายืนในท่าลักษณะไหนเอามือของเราไว้ในลักษณะไหนในขณะที่ยืนมันก็นิ่งอเหมือนกันพอเราไม่ได้เคลื่อนย้ายล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันพอลมถึงยังไงลมหายใจเข้าออกถ้าคนตายเท่านั้นจะไม่มีลม ถ้าหาว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ต้องมีลมในเมื่อยือนก็ดีนอนก็ดีนั่งก็ดีลมหายใจเข้าออกอต้องกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญาในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจารุปนั่นคือคือจิตใจของเราให้อยู่ในลมไม่ให้ปุ่งฟงไปทางอื่นจากนั้นใจของเราเ อ, อ, อยู่ในอกับกิริยามีสติสัมปะชัญญะอย่างนี้ล ใจมันก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งนะพอจิตใ จ, จรวมสงบเป็นหนึ่งเท่านั้นเลยท่นี่เราจะรู้ได้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายนะเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใครนะเนี่ยเราพระพุทธเจ้าท่านห ล, หลักพิสูจน์ให้ดูกายดูใจให้ดูจุดนี้นะอา่าอย่าไปดูจุดอื่นถ้าจุดจุดอื่นจะไปคิดจะไปเดาจะไปคาดคะเน จะไปคิดปรุงฟุงสั่นคิดคำนวณตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยไม่ได้ทางนั้นนอกจากสมาธิเท่านั้นจึงจะรู้ได้กาย ก, ายกายกับใจใจกับกายใจเป็นใหญ่สรุปแล้วเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะคณะสัตาาาายาติโยมลูกหลานทุกคนนะสมชายมันมาร้อกวนแล้ววะเสียสมาธิในการพูดน ะ, ะตนน่ไปรับพรในทนี้นะ